ผู้ที่ตายในและบางคนแม้จะยังไม่ทันค่าใครตายจะไป อยากทราบว่าคนที่ตายในสงคราม คนที่ตายในสงครามโดยปกติมี แต่บางคนก็มีผู้มารับไปนรกบางคนก็มีผู้มารับ ตัวเองมีน้ำใจเสียสละแม้กระทั่งชีวิต แต่สําหรับผู้ที่ยังไม่มีใครมาพอแม่หรือ ถึงแม้จะมีโอปปาติกะบางคนมาอธิบายให้ก็ หรือจะให้ไปอยู่ในภูมิไหนอันนี้บอกยากให้ไปอยู่ในภูมิไหนอันแต่ เพื่อจะแก้ความสงสัยข้อนี้จะแก้ 14 หน้า 389 มาให้พระสูตรที่แสดงว่าเห็นดัง ก็ไม่ใช่จะอานนบุคคล 4 1 บุคคลบางคนในโลกนี้ค่าสัตว์คนในโลกนี้ฆ่า ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก 2 แต่บุคคลบางคนในโลกแต 3 เป็นผู้ไม่มากไปด้วยความโลกมีจิตไม่พยาบาทไม่มากไปเป 4 ดูก่อนอานนท์ในบุคคลเหล่านี้สําหรับบุคคลที่ เขาหรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อไปอีกวิบากของกรรมในปัจจุบันชาตินี้หรือใน เขาได้กระทํากุศลกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา สำหรับบุคคลที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ หรือในชาติต่อไปหรือในชาติต่อต่อไปอบายนรกก็เพราะในครั้งก่อนเพราะใน เขาได้กระทําบาปกรรมอันเป็นที่ตั้ง Υπότιτλοι you deny like ในใจจน Και <cin> Καϊ, <stereotype and true choses>